เราคารบปคุณเจ้าแล้วขอเจ ร, ริญพรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรุบาลาสวัสด์คณาจารย์และผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านหัวข้อการบรรยายในวันนี้อาจจะรู้สึกว่า เป็นเรื่องยากปากข้อเพราะเวลาพูดถึงสติแล้วเนี่ยเราทุกคนก็มีสติกันทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่หลงไม่บ้าหรือว่าไม่สลบหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่เข้าขั้นโคมา่าแต่ว่า สติที่คนทั่วไปมีกันนั้นเนี่ยนะมันเป็นสติที่พอเพียงแก่การดำเนินชีวิตไปตามปกติเป็นไปตามเหตุการณ์ประจำวันแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเกิดความพลัดพรากสูญเสียขึ้นมาของหายคนรักตายจาก หรือว่าถูกตำหนิต่อว่าสติที่เรามีเนี่ยในคนธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้การได้ไม่ทาการ<อ>ก็อย่างที่เราเห็นนะฮะเวลาใครที่ของหายรถเสียรถถูกะโมย ก็จะทุกข์เวลาคนรักตายจากไปหรือว่าเจ็บป่วยหรือแม้แต่สอบเอนชาไม่ได้ก็จะนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนเนี่ยเพียงแค่ถูกตำหนิหรือว่าได้ยินเพื่อนดินทา แค่นี้แหละนะก็ความดันขึ้นแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสติที่เรามีเนี่ยมันมันไม่พอใช้การกับเหตุการณ์เหล่านี้สติที่เรามีเนี่ยพอที่จะเอาไปใช้เวลาขับรถไปตามปกติเวลาเดินไปทำงาน เวลากินข้าวนะเป็นสติแบบดำเนินไปตามชีวิตประจำวันในเงื่อนไขว่าไม่มีอะไรมากระทบมากนะแต่พอมีสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะก็ทำให้เสียศูนย์ได้ง่ายๆนะตรงนี้แหละที่ทำให้ เรามีความจำเป็นมากที่จะต้องมาทมความเข้าใจแล้วก็พัฒนาสติให้มีมากขึ้นเพราะเราคงจะปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าชีวิตข อ, ข, อของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นไปแบบราบลื่นเหมือนกับกระแสน้ำอย่างที่เราเห็นในแม่น้ำเจา้าพยาก็ไปเรื่อยๆอๆที่จริงไม่ใช่เช่นนั้นและแม้แต่กระแสน้าน้ำเจา้าพยาก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น มันมีความแปรปรวนผันผวนที่พระเขาเรียกว่าอันิจังทุกขังอันิจังทุกขังเนี่ยคือความแปรปรวนผนผันผว น, ผนผขึ้นลงเป็นไปตามใจหวังบ้างไม่เป็นไปตามใจหวังบ้างแล้วเมื่อมันผันผวนแปรปรวนเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เจริญสติให้มีมากขึ้นเนี่ย เราก็จะรับมือกับความพันผลนแปรปวไม่ได้ตอนนี้พูดมาเกิดมาอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็จะสงสัยว่าสตินี่มันหมายถึงอะไรนะของบางอย่างเนี่ยมันอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะสติเนี่ยนะถ้าใครที่เรียน หรือจำวิชาศิลธรรมได้เนี่ยเราจะจำได้ว่าธรรมที่มีอุปการะมากนะที่พระเจ้าได้สอนไว้เนี่ยมีสองอย่างคือสติแล้วก็สัมปัชัญญะสติ ค, คือความระลึกได้สัมปัชัญญะคือความรู้ตัวฟังดูก็ อาจจะ่พื้นนะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจชัดนะก็พูดมันง่ายขึ้นกว่า น, นี้สติก็คือไม่ลืมสมปัชัญญะคือไม่หลงนะเวลาโยามเนี่ยเวลาท่านเนี่ยลืมนัด เพราะว่ากําลังทํางานกําลังหมกมุ่นกับการทํางานหรือว่ากำลังดูละครโทรทัศน์จนเพลินหรือกําลังสนุกกับคาราโอเกะเนี่ยนะลืมนัดบางทีลืมกลับบ้านนั่นแหละคือไม่มีสติแล้วนักเรียนที่ลืมเอาสมุดหรือหนังสือกลับไปบ้าน หรือลืมเอาสมุดการบ้านมาที่โรงเรียนเพราะว่าตื่นสายแล้วก็กำลังขลขวายกับการแต่งเนื้อแต่งตัวกิงข้าวจนลืมไปเลยนี่คือไม่มีสตินะนักเรียนบางคนนะเด็กบางคนเนี่ยนะอยากกินไอติมมากมีรถไอติมผ่านมานักเรียนก็ วิ่งไล่ตามรถไอติมเพราะรถไอติมนี่เขาเลยไปไกลแล้ววิ่งไล่ตามรถไอติมพอเสื้ อ, อติมเสร็จก็เดินเข้าบ้านปรากฏว่าไอบ้านที่ตัวเองเข้านี่ไม่ใช่บ้านตัวเองเป็นบ้านคนอื่นะเคยเจอแบบนี้ไหะวิ่งตามรถไอติมแล้วก็กลับบ้านด้านเมื่อ ไ, ไอติมแล้วไอบ้านที่เข้าอ่ะมันไม่ใช่บ้านตัวเองบ้านคนอื่นอันนี้ก็ว่าอันนี้เรียกว่าลืมตัว ผลที่ตามมาคือหลงหลงเข้าบ้านคนอื่นเพราะลืมไงฮะอาลามดีใจมากแล้วความดีใจก็ทําให้ลืมตัวแล้วเมื่อลืมตัวก็ทําให้หลงใช่ไหมฮะถามว่าเด็กเด็กเป็นอย่างนี้เท่านั้นหรือหรือผู้ใหญ่ก็เป็นด้วยนะกําลังขับรถอยู่ดีๆมีรถมาปาดหน้าโกรธก็เลยพยายามเข้าไปไล่ตามเขา ทังที่ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยกําลังรีดจะรีบกลับบ้านเพราะ่ามีธุระนักคนเอาไว้แต่พอมีรถป่าหน้าฉนั้นแหละโปรดนะก็วิ่งไล่ตามรถคันนั้นไปนะกว่าจะรู้ตัวก็เลยไปไกลและนะอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวลืมไปว่ากำลังจะรีบกลับบ้าน แล้วก็พอมีอะไรมาปาดหน้าเกิดความโกรธความโกรธก็ทําให้หลงหลงเข้าไปในอารมณ์นะมันก็ลืมหมดแหละบางทีไอ้ความหลงในอารมณ์คือความโกรธเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าทําให้กลับบ้านช้าไม่ใช่แค่ว่าทําให้เลยเลยไปไกลแต่บางทีมันอาจเกิดเหตุร้ายแรงยิ่งกว่า น, นั้นอย่างกรณีเมื่ออาทิตย์หรือสองาทิตย์ที่แล้วนะฮะบูแฮมเนี่ยก็ ถูกลบปาดหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็โกรธเนะนื่องจากเป็นคนที่เป็นคนที่มักโกรธอยู่แล้วเนี่ยความโกรธก็เลยเกิดขึ้นง่ายเพราะเป็นคนที่ไม่เคยไม่เคยสนใจที่จะมีสติกับให้รู้ทันความโกรธตั้งแต่เล็กแล้วพอความโกรธมันเกิดขึ้นมันก็เขาผรานจิตใจหรือว่าผู้อี่ยานนงจะทั่วใจมันหลุดเข้าไปในในในพ่วงอารมณ์นั้นความโกรธนอกจากจะไปทําร้ายคนขับรถเอาหินฟาดหน้าไปแล้วก็ยังไม่สมแคข็ง ก็ยังเอาขับรถเข้าไปชนคนโดยสารบนทุกบาทนี่เรียกว่าเริ่มแรกคือเราเรียกว่าลืมตัวแล้วก็หลงเข้าไปในโลนจนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไอ้ความไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยเราเรียกวความหลงนะและความหลงเนี่ยเกิดจากความลืมตัวความลืมตัวในที่นี้เราเรียกว่าไม่มีสตินะ ลองถามใจตัวเองทบทวนตัวว่าเนี่ยเราลืมตัวแบบนี้มาบ่อยไหมบางทีก็เป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาเราลืมนัดนะหรือว่าเราลืมส่งงานนะหรือว่าเราลืมวันเกิดหรือวันสำคัญของลูกนะแต่ว่าบางครั้งความลืมเนี่ยมันทำให้เราเกิดความสูญเสียมากกว่า น, นั้นนะ บางคนเนี่ยบ้านบ้านถูกไฟไหม้เพราะลืมนะเจนอาจจะเปิดเปิดเตาแกส๊สหรือว่าเปิดต้มน้ำทิ้งไว้หรือว่าจุดทูปจุดเทียนทิ้งไว้แล้วก็ลืมใช่ั้ยฮะและการลืมตัวที่เกิดขึ้นบ่อยคือเวลาขับรถเราขับรถแล้วเราก็ลืม เพราะเราลังคิดอะไรบางอย่างอยู่บางทีคิดเรื่องการทอดพระปาหรือคิดเรื่องการจะไปจะไปซื้อจตุคามรามเทพมานะหวังรวยโอ้แล้วก็ลืมพอลืมตัวเมื่อความหลงนะฮะก็คือว่าขับรถไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะบางทีไฟแดงอยู่ดีดเนี่ยก็ไม่เห็นก็ฝ่าเข้าไปฝ่าไฟแดงเพราะความหลงนะและหลงที่เกิดขึ้นเพราะลืมลืมตัวคือไปลืม ทำอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ไม่ใช่เป็นกิจในตอนนั้นขับแล้วก็ต้องอยู่กับการขับรถนะไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นเมื่อแต่ก็ตามที่ท่านเนี่ยขับรถแล้วอยู่อกับการขับรถนั่นแหละเรียกว่ามีสติแล้วแต่สังเกตไหมครับเวลาขับรถเนี่ยใจมันลอยแับไปโน่นรั้บไปนี่ไปอยู่บ่อยๆเหมือนกับเวลากินข้าวเรากินอะไรบางทีเราไม่รู้ว่าเรากินซ้ําอยู่ดีๆอา่าวลูกชิ้นหายไปแ voilà. ล้วไอ้ลูกชิ้นมันหายไปแต่เมื่อไหร่ จริงตัวเองเราเคี้ยวเข้าป่าไปเมื่อกี้นี่นะเพราะาตอนนั้นกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่แล้วนะสังเกตไหมว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยที่เราว่าฉันมีสติฉันมีสติเพราะฉันไม่ฉันไม่บ้าฉันไม่ฉันไม่เมาเนี่ยหรือว่าฉันไม่ไม่หมดไม่ไม่หม ด, ไ ม, ไ, มหมดไม่เป็นลมหรือสลบเนี่ยในภาวะชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยเราลืมบ่อยครั้งมาก และการที่เราลืมตัวบ่อยครั้งเนี่ยคือไม่มีสติเนี่ยอาตมาจะเรียกว่าคือสาเหตุหลักๆของความทุกข์ของคนเราความทุกข์ของคนเราเนี่ยนะเป็นเพราะขาดสติเสียเป็นส่วนใหญ่นะวันวันหนึ่งนี่โกรธไหมฮะวันวันนึงเครียดมวันวันหนึงนี่เศร้ามวันวันหนึ่งนี่ขุนเคืองใจไหม วันวนหนึ่งที่เหงามวันวันหนึ่งสึกท้อแท้ไหมชีวิตของเราเนี่ยวันวันแต่ละวันเนี่ยมันมันขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาเครียดกลุ้มกังวลวิตกเหงาท้อแท้สิ้นหวังนะหดหู่เศร้าโศกเสียใจนี่คือสิ่งที่มารุมแล้วชีวิตเราเราทุกวันทุกวันทุกวันถามว่า ที่มันรุมเล้าจิตใจเราได้นี่เพราะอะไรถ้าต่อแบบฟันธงคือว่าเพราะว่าเราขาดสตินะเราขาดสติสติเนี่ยถ้าเปลี่ยนไปก็เหมือนกับว่าเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะฮะสติก็อาจจะเหมือนกับยามเฝ้าบ้านหรือว่าสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะหมายถึงเครื่องมือที่จะบอกว่ามีใครแปลกปอมเข้ามาในบ้านมังเป็นเครื่องเซ็นเซอร์เป็นเครื่อง เป็นสัญญาณการขโมยที่บอกเราว่าใครจะเข้าม า, มาบ้านเราก็ทราบอยู่แล้วว่าโจรขโมยเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปแต่โจรขโมยเนี่ยมันเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อมันเข้ามาในบ้านได้ถ้ามันเข้ามาในบ้านไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับเราใช่ไหมฮะและโจรหรือขโมยมเข้ามาในบ้านได้เพราะอะไรก็เพราะว่ายางฝากประตูนี้ไม่มีหรือว่ากําลังหลับอยู่ หรือว่าไอ้สัญญาณการขโมยเนี่ยมันไม่ทำงานนะมันไม่ไวพอถ้าไวาพอเนี่ยนะมีใครเปิดประตูบ้านเข้ามาเนี่ยเรารู้หรือว่าเปิดประตูบ้านเข้ามาชั้นหนึ่งแล้วเปิดประตูรัวเข้ามาชั้นหนึ่งแล้วจะเปิดเข้าประตูบ้านเข้ามาหรือเปิดประตูห้องเนี่ยเราก็รู้เพราะสัญญาณเตือนนี่คือหน้าที่ของสติฮนะเตือนให้เรารู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามา แต่ถ้าสัญญาณเตือนนั้นมันไม่ทำงานมันอ่อนแอมันไม่ไวโจลืกขโมยก็เข้ามาในบ้านได้มาปล้นมาทำร้ายเรามารังแกเรามาซ้อมเราในฐานะที่เป็นเจ้าทรัพย์ในฐานะที่เป็นเจ้าเจ้าเจ้าของบ้านแล้วก็เอาของเราไปเราอาจจะไม่สามารถที่จะ ขจัดโจรขโมยไม่ให้ไม่หลงเหลือเลยในในประเทศที่ได้เราไม่สามารถไม่สามารถที่จะกำหลับโจรขโมยไม่ให้ไม่ให้มีอยู่ในในจังหวัดนครสวรรค์ได้แต่สิ่งที่เราทำได้อย่างนี้คือว่าเรากันไม่ให้มันเข้ามาในบ้านได้ความโกรธความเครียดความกังวลความวิตกความเศร้าความแค้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้ทุชนเนี่ยห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ เราเป็นผูุ้ชนใช่ไหมเราห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนทัศธรรมะธรมโอแค่ไหนก็ยังมีความโกรธอยู่อัตมาก็มีปัญหาที่ว่าเราจะเราจะปล่อยให้มันเข้ามาคลองใจเราหรือเปล่าเราจะปล่อยมันามาคลองใจเราหรือเปล่าเราจะปล่อยมันเข้ามาลุกลามเล่นงานกลางใจเราหรือเปล่าตรงนี้แหละฮะสาคัญนะและความทุกขงคนส่วนใหญ่นี่ก็เพราะว่า ปล่อยให้มันเข้ามาปล่อยใ ห, ให้มันเข้ามาลุกลามจิตใจมาเผาหลนจิตใจมาครอบงำจนกระทั่งไม่เป็นอะไรไม่เป็นนอนเกลียดใครโกรธใครเนี่ยถ้ามีสตินะฮะเราก็จะรู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อโกรธก็รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นในใจใหม่ๆอาจจะรู้เพียงแค่ว่าฉันกาลังโกรธนะใหม่ๆรู้เพียงว่าฉันกำลังโกรธแต่พอมีสติมากเข้า เห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจต่างกันนะฮะฉันกําลังโกรธกับความโกรธเกิดขึ้นในใจนี่ต่างกันมากเลยต่างกันยังไงเดี๋ยวอาจารย์กําพนจะอธิบายแต่ว่าในชีวิตประจําวันเราต้องสังเกตดูฉันโกรธเนี่ยนะกับเห็นความโกรธถ้าฉันโกรธนี่แปลว่าฉันเป็นผู้โกรธล้วแต่เห็นความโกรธเนี่ยก็หมายความว่าเปรียบไปก็เหมือนกับว่าเราเห็นเราเห็นเราเห็นโจรขโมยมันอยู่หน้าบ้านเรา แต่ถ้าว่าฉันเป็นผู้โกรธเนี่ยตัหมายความว่าโจรหรือขโมยมันเข้ามาในบ้านแล้วมันเข้ามาเล่นงานเราแล้วมันต่างกันคือมันมีช่องว่างมันมีระยะห่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าเรากับอารมณ์ถ้าไม่มีสตินะเรากับอารมณ์ก็เป็นอันเดียวกันก็คือว่าชันโกรธชันเกลียดฉันเศร้าแต่ถ้ามีสตินะมันก็จะเกิดระยะห่างระหว่างเรากับอารมณ์ นะอันนี้พูดแบบง่ายๆนะเราจะเห็นมันว่ามันเกิดขึ้นแต่ว่ามันมันมันเข้ามาเหมือนกับไฟเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้ไฟเนี่ยหัวเราจะร้อนมากเลยแต่ถ้าเราอยู่ห่างไฟขึ้นมาหน่อยเนี่ยห่างไกลามาหน่อยเนี่ยมันก็จะร้อนเผาๆแต่มันไม่ร้อนมากแล้วยิ่งถ้ามันอยู่ไกลไปขนาดกิโลนึงเนี่ยเรายิ่งไม่รู้สึกว่ามันร้อนเลยสติทําหน้าที่นี่ น, นะฮะคือทําให้มันเนี่ย มันอยู่ห่างออกไปจนกระทั่งทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าหากว่าถ้าเราไม่มีสติมันเข้าไงก็หมายความว่าเราเข้าไปปล่อยให้มันเข้ามาลามลามเข้ามาถึงตัวลามเข้ามาถึงบ้านเราลามเข้ามาเผาในกลางใจเราสติเขื่อนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย อาตมาจึงบอกนี้ว่าคนร้ายเนี่ยทุกส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าเราไม่มีสติพอเวลาเราโกรธเนี่ยเราไม่รู้ทันความโกรธนะ เ, เราปล่อยให้ความกลัวเข้ามาแผดแผดเผาใจเราเวลาเราปวดเราไม่เห็นความปวดนะเราปล่อยให้ความปวดเข้ามาเผาใจเราเผาอี่างนี้นพอเราปรุงต่อไปด้วยปรุงต่อไปเช่นเวลาเราปวดใครเนี่ยนะเราก็จะย้ำคิดย้ำทำย้ำนึกถึงคนนั้นเน่ย คิดแล้วคิดเล่าถึงคนนั้นคิดแล้วคิดเล่าถึงเหตุการณ์นั้น mm hmm. เช่นเดียวกับความเศร้าเวลาเราเศร้านะเราก็จะนึกคิดย้ำถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราเศร้านะเวลาของหายเ mm hmm. สียดายถามว่าสมัยเศร้า mm hmm. ก็เพราะว่าคิดแล้วคิดเล่าอยู่นั่นแหละว่าของมันหายรถคันนั้นมันหายสร้อยเพชรแหวนเพช ร, ม, พชรมันหาย คิดถึงสิ่งนั้นตลอดเวลาไอ้การที่เราคิดซ้ำคิดสร้างนี่แหละก็คือไม่มีสติคือไม่รู้ตัวทั้งๆที่รู้ว่ามันเจ็บรู้ว่ามันปวดแต่ก็ยังยังคิดย้ำคิดทวนนั่แหละเปลี่ยน ง, ง่ายๆนะฮะเหมือนกับว่าเราเรามีเรามีเศษแก้วคมๆอยู่บนมือ ถ้ามีเศษเก้าอยู่บนมือนี่เจ็บไหมฮะเจ็บหรือว่าเศษเก้าอยู่บนมือเนี่ยไม่เจ็บหรอกเจ็บต่อเมื่ออะไรกรรมกรรมกรรมที่เดียวพอไหมไม่พอส่วนใหญ่กรรมหลายครั้งกรรมกรรมกรรมกรรมเนี่ยเวลาโกรธใครเนี่ยเราเล่กนกับตคนนั้นเนี่ยนั่นคือเรากําลังกรรมมันนั่นๆกรรมมันแน่น ๆ, นนนๆเจ็บก็เจ็บนะแต่ยังกรรมนะไม่ยอมปล่อย เวลาเราเศร้ากับเรื่องใดก็ตามเนี่ยก็ไม่ต่างจากการที่เรามีเราไปไปกรรมแล้วก็ไปบีบมันเอาไว้ถามว่าแก้ทำให้เราเจ็บหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไปกรรมเอาไว้นะมีแก้วไม่ทําให้เราเจ็บนะแต่เพราะเราไปกรรมนะัไปกรรมมันเอาไว้อาตมาชอบเปรียบเทื่อเหมือนกับลิงเนี่ยลิงกับกระปีนะลิงเนี่ยมังเกะกระปีใช่ไหมฮะแต่ว่าบางทีเนี่ย บางทีเราไปแก้งกับปีให้มันไปหยิบไปฉวยอะไรบางอย่างข้าวอาหารที่มันมีกระปีกำข้าวที่มีกระปีซ่อนอยู่พอมันกินข้าวไปกระปีก็ติดมือกระปีมันไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอลิงไม่ชอบกระปีใช่ไหมฮะมันทํำยังไงฮะเวลากระปีติดมือมันก็จะถู ถ, ถูถูกับหินถูกระเปลือกไม้ถูเสร็จก็มาดมดมเสร็จถูใหม่มันไม่ชอบกระปีนะแต่ทำไมชอบดมก็ไม่รู้ ถูถูจนข้า่งเลือดซิบซิ ป, ซปถูกไปจนข้างมันที่เลือดอาบเลยถามว่าที่เลือดอาบนี่เาเป็นเพราะกระปิหรือเปล่าหรือเป็นเพราะความเกลียยกระปิกระปิไม่ทําให้เลือดไหลนะฮะแต่ว่าเพราะความเกลี่ยกระปิทําไห้มันเลือดไหลเพราะมันพยายามจัดออกไปขยยีจั๊ออกไปมันลืมตัวฮะมันลืมตัวเพราะมันเกลียดเพราะมันเกลียแล้วก็คนละเกลี่ยแล้วก็ตามเนี่ย มันก็จะยึดติดกับสิ่งนั้นเกลียดเราเรเกลียดอะไรก็ตามคือสิ่งนั้นเราไม่ชอบสิ่งนั้นเราเกลียดสิ่งไหนก็ตามก็คือเราพยายามผลักสาออกไปจากสิ่งนั้นแต่สังเกตไหมฮะยิ่งเกลียดอะไรก็ตามเนี่ยยิ่งกลับเข้ามาคิดเข้ามาคำหนึ่งหรือเข้ามายึดให้มันให้มันแน่นเราเกลียดใครเนี่ยเรากลัวใครเนี่ยเราชอบคิดถึงคนนั้นเหลือเกินบางทีคิดมากกว่ลูกของเราเสอีกใช่ไหมฮะยิ่งเกลียดกับยิ่งยึดยิ่งติดนะ และยิ่งยึดยิ่งติดยิ่งคิดเนี่ยมันก็ยิ่งโกรธยิ่งทุกข์นะเห็นแล้วยังเหตุว่าไอ้ไอ้ความทุกข์คนเราส่วนใหญ่เนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าเราไม่มีสติเราลืมตัวอาจารย์มาไม่ได้เรียกร้องนะว่าไม่ให้โกรธไม่ได้เรียกร้องว่าอย่ามีความโกรธอย่ามีความเกลียดอย่ามีความโลภนะ ถ้ามีน้อยลงก็ดีแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังคือว่ามันมีแล้วเนี่ยอย่าให้มันมาเล่นงานจิตใจของเราอย่างนี้พอจะง่ายกว่าหรือเปล่าบางคนจะบอกโอ้โหจะไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่ให้โลภเลยมันยากก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีแล้วเนี่ยอย่าให้มันเข้ามาครองใจเราทําได้ไหมอันนี้แหละ เป็นหน้าที่ของสติเพียงแค่เราไม่นึกถึงมันบ่อยๆไม่ย้ำคิดย้ำทำทั้งวันบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยได้และพอเรามีสติรู้นะรู้ทันมันเ่อมันเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันมันเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันเนี่ยมันก็จะเบาลงเบาลงเบาลงแต่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้นะฮะเมื่อคนเมาเนี่ยคนมาบอกว่าเธอเมาเนี่ยเขาไม่เขาปฏิเสธว่าฉันไม่เมาฉันไม่เมาเวลาคนบ้าเนี่ยคนที่เครียดเนี่ย คนที่มีปัญหาโรคจิตเนี่ยเราบอกว่าเขามีเขาเขาเขาามีปัญหาโรคจิตเขาเป็นโรคจิตเนี่ยเขาต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถามว่าเขาไปไหมฮะเขาไม่ยอมไปนะเพราะเขาไม่เขาปฏิเสธว่าฉันไม่ฉันไม่มีปัญหาเดี๋ยวว่าแต่คนเป็นโรคจิตเลยคนเครียดเนี่ยคนที่เครียดเนี่ยเราไปบอกเขาว่าเธอเครียดนะเขาก็โวยวายเลยฉันเครียดที่ไหนฉันไม่เครียดอ่าทั้งที่อาการโวยวายมันแสดงความเครียด ครีต่ไม่รู้ว่าเครียดนะเมื่อกับบางทีบางทีเราเราเร า, เราเกรงเราเรานั่งเราดูหนังแล้วเราดูหนังแล้ว เ, เราตกใจเราเกรงมือเนี่ยหนังผีหรือหนังที่มันตื่นแต้งก็ตามเนี่ยเราเกรงเรานั่งเกรงแต่เราไม่รู้นะฮะว่าเรานั่งเกรงเคยสังเกตไหมฮะเราม่นั่งเกรงจนกระทั่งพอรู้ตัวก็ค่อยคลายลองสังเกตดูนะฮะ ความเกรงความความอาการต่างๆในในทางกายเนี่ยเวลาโกรธหายใจถี่หายใจสั้นเนี่ยมือเกรงหน้าเกรงหน้านิ้ยิิ้วขมวดเนี่ยถามว่ารู้ตัวไหมฮะส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวอันนีเพราะอะไรเพราะพาะไม่มีสติธรรมะ ก, ก็เป็นนะเพียงแต่ว่าเอ่อมันเป็นธรรมดาปัญหายทัว่วเราต้องพยายามที่จะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยสติที่สําคัญนะ คราวนี้เนี่ยถามว่าเมื่อสติสําคัญแล้วเนี่ยเราจะเราจะทำไงถึงให้เกิดขึ้นนะก็คือการเรียกว่าเจริญสติในช่วงประจําวันการเจริญสติในช่วงประจําวันเนี่ยทำได้ไง่ายๆก็คือว่ากายอยู่ไหนใจยอยู่นั่นกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นตอนนี้เนี่ยทุกท่านตัวเนี่ยหรือกายเนี่ยอยู่บนอยู่ในห้องนี้เนี่ยถามว่าใจาตอนนี้ท่านอยู่ไหน ไปที่บ้านหรือเปล่าไปที่ไปที่โน่นที่นี่หรือเปล่าถ้าว่าตัวท่านอยู่นี่ใจท่านอยู่นี่เนี่ยอันนั้นก็มีสตินะฮะแต่จะสังเกตว่าใจของท่านเนี่ยเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่นกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นหรือว่าพูดแบบง่ายๆคือว่าทําอะไรให้เสร็จเป็นอย่างๆทําทอะไรเป็นเรื่อง ส่วนใหญ่เราเราไม่ได้ทําอะไรเป็นเรื่องๆนะเช่นถูฟันเนี่ยเราไม่ได้ถูฟันอย่างเดียวนะเราคิดไปด้วยวางแผนไปด้วยขับรถเนี่ยเราก็วางแผนไปด้วยมางที่ฟังนะฟังเพลงฟังซีดีหรือโทรศัพท์พูดโทรศัพท์คุยกันเี๋นี้เราทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะเช่นรีดผ้านะดูโทรทัศน์แล้วก็ฟังเพลงตาก็โทรศัพท์คุยโทรศัพท์ไปด้วย <c oughs> เราบอกว่านี่คือวิธีบริหารเวลาที่ดีฮะสมัยนี้เวลามีน้อยแต่มันทําให้ จิตใจเราแย่นะฮะเราจะเป็นคนขาดสติขาดสมาธิและถ้าทําไปเรบ่อยๆนะฮะจะอยู่เฉยๆไม่ได้จะเป็นคนอยู่เฉยๆไม่ได้จะเป็นคนอยู่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยปัญหาคนสมัยนี้คือว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ทั้งๆที่บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองเนี่ยแต่เวลาอยู่กับตัวเองนี่เกลียดที่สุดเลยถ้าอยู่คนเดียวยังเกลียดที่สุดเลยทั้งๆที่มีทุกอย่างมีอาหารมีน้ํามีมีที่พักมีสบาย และนี่คือปัญหาของเด็กสมัยนี้นะฮะเด็กสมัยนี้คืออยู่คนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องสงสัยทําไมเด็กเนี่ยกลับบ้านแล้วต้องคุยโทรศัพท์กันเป็นชั่วโมงชัวโมงหรือไม่ก็ต้องดูโทรทัศน์หรือไม่ต้องต้องเล่นวิดีโอต้องต้องเล่นต้องดู DVD หรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตเด็กสมัยนี้เราเฉ ล, ลี่ยในในกรุงเทพนะไม่รู้จุลนครสงสารด้วยหรือเปล่าใช้เวลาอยู่กับ1โทรศัพท์มือถือ2โทรทัศน์3คอมพิวเตอร์ โดนทอินเทอร์เนต็ตด้วยและเกมออนไลน์เนี่ยวันกรมา8แปดชั่วโมงแปดชั่วโมงนะมันมันมากมอาจจะมากกว่าเวลานอนด้วยซ้ำแล้วเวลาเรียนเขาอีกนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นฮนะเพราะว่าอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ว่าจะอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่มีเวลาให้ หรือพ่อแม่ก็ไปทำงานอย่างอื่นเขาก็เลยไปอยู่กับโทรทัศน์อยู่กับโทรศัพท์มือถือนะอยู่กับเกมออนไลน์แต่ปัญหา น, นี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของเด็กเดียวปัญหาผู้ใหญ่ด้วยรักตัวเองแต่อยู่ตุกกับตัวเองไม่ได้นี่เพราะว่าเราทาอะไร เ, เราพยายามทำทุกๆอย่างไม่ให้ว่างจนกระทั่งติดของเราเนี่ย มันเสียสภาพความปกติไปประเวิธีการเ้อนสตรีนี่ก็คือว่าเราเนี่ยนะทำอะไรเนี่ยทำเป็นอย่างๆเวลากินข้าวใจก็อยู่กับการกินข้าวรับรู้ถึงทุกขณะที่กําลังเคี้ยวไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องมากนะฮะอย่าไปเพอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องมากไม่ต้องเอาอรายละเอียดไม่ต้องไปพิจารณาถึงการเคี้ยวแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ว่าให้เห็นให้รู้สึก เวลาเราเดินแทนที่เราจะปล่อยใจลอยแล้วก็เดินใจแล้วก็อยู่กับการเดินนี่เรามีสติเวลาเราอับนะ้ําเวลาถูฟันเวลาทําครัวลองฝึกทําแบบนี้ดูบ้างนะสติเราก็จะไวเพราะทุกครั้งที่เวลาทำเนี่ยใจมันจะเผลอเผลอแวบบเผลอแวบบบางทีไม่ไม่จะเผลอไปไกล ใหม่ๆนี่จะคิดไปหลายเรื่องเลยคิดจากเรื่องโน้นไปเรื่องนี้จากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นบางทีกว่าจะรู้ตัวก็สิบเรื่องก็ไปแล้วที่คิดแต่ว่าพอเราทํานี้ไปบ่อยอย่างที่จะมาว่าคือทำอะไรเนี่ยทําเป็นอย่างๆเนี่ยแล้วฝึกให้ความมีความรู้ตัวอยู่เสมอมันก็จะลดไปจากสิบเรื่องก็เหลือเก้าเรื่องจากเก้าเรื่องก็เหลือแปดเรื่องเจเรื่องมันจะไวขึ้นไวขึ้นสติก็จะไวถ้าหากว่าอเรียนบทต่างๆหรือกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยทำอย่างมีสติ คือรู้ตัวไม่หาเรื่องคิดไม่ทำอะไรอะไรอย่างพร้อมๆกันนะแล้วที่พอสติไว้ใช่มฮะพอสติไวเนี่ยพอหงุดหงิดขึ้นมามันเห็นเร็วาเลยพอคุณเคืองใจขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาเห็นเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่เห็นฮะก็เลยจมเข้าไปในอารมณ์ ไอสิ่งนี้เนี่ยที่จมาพูดเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดแต่พอลองสังเกตดูเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าวันวันนึงเนี่ยเราเผลอกี่ครั้งกว่าจะรู้ราตัวเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่นะอันนี้คือคือคือคือวิธีการพื้นฐานในการเจริญสติ ถ้าท่านทําอย่างนี้ได้เนี่ยทุกอย่างจะเป็นการปฏิบัติธรรมขับรถก็เป็นการปฏิบัติธรรมถูฟันอาบน้ําซักผ้าก็เป็นการปฏิบัติธรรมทำอาหารก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่ามีส ต, ต, ติรู้ตัวตลอดเวลาจริงๆมันก็ไปตลอดเวลานะแต่ว่าพยายามประคองใจให้มีส ต, ติอยู่สม่ำเสมอส ต, ติที่มันต่างอย่างสมาธินะสมาธิในจิตมันต้องนิ่ง สมาธิในความหมายของเราคือสมาธิคือจิตมันต้องนิ่งต้องตั้งมัน่นแต่ว่าความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสติฮะเด็กจะมีสมาธิกับการอ่านหนังสือก็เพราะว่าเขามีสติก็คือว่าอ่านไปใจมันลอยใจมันลอยปุ๊บรู้รู้ปุ๊บดึงจิต ก, กลับมานะอ่านมาได้สักพัก5ทีใจลอยแล้วสติรู้ว่าเผลอดึงกลับมา เมื่อดึงกลับมาบ่อยๆจิตก็จะเริ่มนิ่งนะท่านโบราณท่านเปรียบมืนกับว่าเราเราเราเลี้ยงวัวไว้เนี่ยวัวมันชอบวัวมันชอบเดินเพ่นพ่านวิธีการคือว่าเออ่ไม่ต้องมัดมันนะฮะแทนที่จะมัดมันก็แค่ผูมันไว้ตลักผูมันไว้ตรับไปมามันก็เดินมันก็จะเดินรอบหลักเนี้ยมันไม่ยอมอยู่นิ่งแล้วเดินรอบ แต่พอเดินไปสักพักมันก็จะเริ่มอยู่นิ่งแล้วก็จะอยู่ตรงหน้าอยู่นิ่งๆตรงนั้นแหละอาการที่นิ่งของวัวเนี่ยก็คือสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นแต่ที่มันนิ่งได้เพราะว่ามันมีมันมีสติคือเชือกเนี่ยคอยคอยดึงมันเอาไว้คอยดึงมันไว้ไม่ให้มันไปไกลใช่ไหมฮะวัวเนี่ยเหมือนกับจิตจิตมันนิ่งได้เพราะว่ามันมีเชือกที่คอยดึงเอาไว้แม่้มันไม่ให้มันเพ่นพาก สติธรรมะที่คอยเตือนกิตไม่ให้เพ่นพลาดดึงกลับมาดึงกลับมาคราวนี้เนี่ยอา ต, ตมาก็ได้แน่ว่าการเตือนสติเนี่ยเราก็ทําได้ในชีวิตประจําวันแต่คราวนี้เนี่ยเ ร, เราทําได้หลายอย่างะครนอกอันหนึงที่สาคัญคือการทํางานการทํางานเนี่ยมันเป็นโอกาสในการเตรือนสติได้เหมือนกันทํางานจะเตือนสติยังไงฮะก็คือว่าเวลาเราทำงานเนี่ยให้เราอยู่กับปัจจุบัน ทำอะไรอยู่เนี่ยก็ทําในขณะนั้นให้ดีแต่ส่วนใหญ่ใจเราไม่อยู่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ในขณะนั้นนะไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันนะใจเราไปอยู่ข้างหน้าแนละ้วเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จโอโ้โหอีกต้องเยอะนะเสร็จแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวคนก็จะว่ายังไงเดี๋ยวผู้อำนวยการจะว่ายังไงนะใจเราไปอยู่ข้างหน้าแนละ้วฮะสังเกตนะเวลาเราทำงานเนี่ยโดยเฉพาะทําเป็น ง, งานเยอะๆงานยากๆมันคอยเร่งนะ เร่องอยากจะให้เสร็จเมื่อกเราเดินทางถ้าเราเดินทางไกลเนี่ยคนเดินทางไกลจะไม่ค่อยมีความสุขใจมันนึกถึงว่านึกถึงแต่ข้างหน้าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จแต่พอไม่นึกถึงเนี่ยมันเสร็จเร็วกว่าที่คิดหรือว่ามันถึงเร็วกว่าที่คิดสังเกตไหมเวลา ข, าขาับไปขับกลับนี่ความความรู้สึกว่าถึงเร็วถึงชา้าต่างกันขับไปมันถึงช้าเลื่ินใช่ไหม เพราะใจมันคิดถึงเป้าหมายพอคิดถึงเป้าหมายว่าอยากเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยมันยิ่งถึงช้าแต่พอขับกับเนี่ยเราไม่ค่อยจะถึงนึกถึงเป้าหมายแล้วล่ะเราก็เลยไปถึงเร็วฮะยิ่งอยากถึงยิ่งถึงช้ายิ่งอยากเสร็จยิ่งเสร็จช้านะอันนี้เป็นธรรมดาแล้วคนเราทํางานไม่มีความสุขเพราะตรงนี้ก็คือว่าเราไปคิดถึงข้างหน้าตลอดเวลาเราไปคิด ห่วงว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเราไปนึกถึงห่วงเราไปห่วงถึงอุปสรรคข้างหน้าความนึกถึงอุปสรรคข้างหน้าเนี่ยใจมันก็ท้อใจมันก็หอ่เอเหี่ยวทั้งๆที่มันอุปสรรคข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในอีกอาทิตย์อาทิตย์ข้างหน้าหรือว่าเดือนหน้าแต่ใจเราไปแล้วฮะเราก็เลยไม่มีความสุขกับการทํางานแต่ถ้าเกิดเรา ทำงานเนี่ยใจเราอยู่กับปัจจุบันลองทลองนึกในใจนว่าวันนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ไปจะเกิดอะไรขึนพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีวันนี้ฉันทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ย่อลงมาอีกเป็นว่าชั่วโมงนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ย่อลงมาอีกจนถึงถว่านาทีนี้ฉันจะทาให้ดีที่สุด ส, ส่วนเรื่องชั่วโมงนึงข้างหน้าวันข้างหน้านี้เอาไว้ก่อน <ock> พูดอย่างนี้ปแปลว่าเราไม่มีการวางแผนนะราวางแผน ล, ล่วงหน้าก่อนที่เราจะทำก่อนที่เราจะลงมือทำแต่พอลงมือทำแล้วอยู่กับปัจจุบันไอตอนที่ยังไม่ลงมือทำตอนที่วางแผนเนี่ยเรามองถึงอนาคต เ, เราย้อนไปถึงอดีตได้แต่เราพอพอพอเราลงมือทำอยู่กับปัจจุบันและงานยากจะกลายเป็นงานง่ายงานยากจะกลายเป็นงานง่าย และถ้าเราใช้วิธีนี้เนี่ยไปกับการเวลาเผชิญกับสิ่งต่างๆนะเวลาเราไปอยู่ใ น, ส ถ, นสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยไปไม่เคยไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เพื่อนชวนไปปฏิบัติธรรมเจ็ดวันเจดวันไม่มีอ่านหนังสือไม่มีพูดไม่มีคุยกับใคร ปฏิบัติอย่างเดียวหนังสือพิ์ไม่มีอ่านโทรทัศน์ไม่มีดูปฏิบัติอย่างเดียวอยู่ในห้องคนเดียวคนทั่วไปนะฮะแค่แค่ชั่วโมงเดียวก็แย่แนละ้วแต่ส่วนหนึ่งที่แย่เนี่ยเพราะว่าไปนึกว่าโอ้ฉันต้องเจอไปอีกต้องเจ็ดวันฉันจะไปไหวไหมแต่พอเราสนใจเฉพาะปัจจุบันวนะ่าวันนี้ทชั่วโมงนี้ดีที่สุดฉันทานาทีนี้ดีที่สุด เราจะรู้สึกเลยว่าเวลามันผ่านไปเร็วปุ๊บเดียวเจ็ดวันแล้วอัตมาดูหนังเรื่องนี้ประทับใจมากนะฮะตั้งแต่เด็กแล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องปาปิยองเป็นเรื่องของนักโทษ ท, ที่ถูกเข้าไปเป็นเรื่องคนซึ่งถูกแกลงจนกระทั่งถูกจัดสินบานชีวิตแล้วก็ติดคุกในคุกนรกคุกเดียวคุกทรมาน แกก็พยายามหนีนะฮะแต่ก็ถูกจับได้ถูกจับได้ข้ า, ขาตอมก็ถูกถูกให้ไปอยู่ในคุกเดียวขังเดียวคุกมืดห้าปีคุกมื็นห้าปีนี่ส่วนใหญ่ไม่มีใครรอดกลับมานะเพราะมันมันโหดร้ายมากลําบากแล้วส่วนใหญ่ที่ตายเนี่ยเพราะว่าเป็นโรควิกฤจริต ตายเพราะวิกฤจิตนะไม่ใช่ไม่ใช่ตายเพราะว่าลำบากทางกายนะฮะ mm hmm. ก็มันจะไม่วิกฤตจิตได้ไงอยู่คนเดียวต้อง5้าปีในห้องมืดแคบบแ ค, แค่ในหนังเรื่องปาปิยองชื่อเป็นเรื่องจริงนะซึ่งเขาถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริงเนี่ยชั่วโมงแรกที่ปาปิยองทำก็คือว่า mm hmm. เดินนับก้าวเดินนับก้าว อยู่ในคุกอยู่ในห้องเล็กๆแค่สี่ห้าเก้าเท่านั้นแหละก็ถึงฝาแล้วเดินนับเก้าเดินนับเก้าคือเขาพยายามคุมใจให้อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยเพราะถที่เรื อ, อื่นเริ่มันจมันจะเครียดมันจะทุกมันจะบ้าเพราะว่าต้องทนอยู่ น, นี้ต้องห้าปีแต่และ ว, วิญาทีมันผ่านไปชา้าเหลือเกินแต่ว่าถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ย ก็จะตัดความกังวลออกไปลองสังเกตไหมว่าคนเราเนี่ยทุกข์เพราะความกังวลเยอะแล้วเรากังวลเพราะเรื่องอะไรฮะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอนาคตกังวลเรื่องลูกกังวลเรื่องเรียนกังวลเรื่องงานและกังวลแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีกับเราเลยกังวลแล้วก็ทุกข อันนี้เพะเนี่ยถ้าเราถ้าเรามีสติ ก, การทํางานเนี่ยฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะทํางานอย่มีความสุขและในการทํางานนั้นก็เป็นการเจริญสติไปด้วยอาจารย์มาจะพูดมาสเลยฮะการดําเนินการเจงเงริญสติในชีวิตประจําวันกับการทํางานต่างๆเรียบบทต่างๆ2กับการทํางาน 3. การมีสติเวลามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเวลาจะมีปฏิสัมพันธ์ผู้อื่นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีทั้งเรื่องที่ ถูกใจและไม่ถูกใจเรื่องที่กระทบใจหรือว่าเรื่องที่บำรุงบำเรอจิตใจสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอคือยกตัอย่างเช่นคําชมคําตํำหนิคําดินทาอันนี้เราเรียกว่าโล ก, กธรรมสารเสริญดินทาเนี่ยหรือว่าชมกับตําหนินี่เราเรียกว่าเป็นเป็นโล ก, กธรรมมันมีแปนะฮะ สในนั้นก็คือสารเสรพนิดธาชื่นชมและตําหนิแล้ว <Okay. S 1> คนเราเนี่ยนะเวลามีใครสารเสพแลเราก็ยินดีเแล้วก็พอใจแต่ว่าพอถูกตําหนิเข้ามาเนี่ยก็จะน่าเหนือยขี้ขมวดแล้วพอเราทุบพ่อคำตาหนิเยอะทะเลาะ ก, กันพ่อคำตาหนิเยอะบาดหมา ก, กันวิวากกันพ่อคำตาหนิเยอะ เราต้องมีสติฮะในการที่จะรู้เท่าทันเวลาเจอคาตําหนิเพราะว่าถ้าเราไม่มีสตินีฮะเราก็จะลืมตัวแล้วเราก็หลงเข้าไปในความโกรธความขุนเคืองใจนี่คือปัญหาแรกเลยปัญหาแรกสุดก็คือโกรธเกลียดแล้วเราก็ทุกข์แต่ถ้ามีสตินี่เราก็เราก็จะรู้ทันแล้วเราก็จะวางได้ นอกจากหลงเข้าไปในความโกรธหลงเข้าไปในความขุ่นเคืองใจแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะฮะเราก็จะลืมหาประโยชน์จากสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่ในคำำนําตําหนิเนี่ยมันมีประโยชน์ไม่ว่าคำำําตําหนิประเภทไหนก็ตามมีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะลืมที่จะหาประโยชน์จากคำำําตําหนินั้น ในคำตำหนิมันมีประโยชน์หลายอย่างมันทำให้เรารู้จักตัวเราในสิ่งที่เพื่อนอาจจะไม่เตือนแต่คนที่เขาไม่ไม่ใช่เพื่อนเราก็อาจจะเห็นแล้วก็ จ, จะพูดคำตำหนิเนี่ยมันเหมือนกระจกที่อาจจะไม่ไม่ถึงกับดีนักแต่ว่าก็ทำให้เราเห็นตัวเราเองอย่างที่เพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่ช่วยเราเพราะเพื่อนเขมีแต่ชมเพื่อนจะไม่เป็นตำหนิ ไอคนที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยก็ยจะตําหนิซึ่งอาจจะทําให้เราเห็นตัวเราเองในสิ่งที่เรามองไม่ค่อยเห็นหรือสอนทำให้เราเห็นที่สายของเขาก็ทําให้เรารู้จักตัวเขามากขึ้นบางคนเนี่ยเขาวิจารวิจารคนนี้คนนี้เนี่ยไอคาพูดเขาเนี่ยมันไม่ได้บอกถึงคนที่เขาพูดถึงเลยนะแต่มันบอกถึงที่สายใจคอของตัวเขาเราก็ได้เห็นมากขึ้นและคำตำหนินเนี่ยมันก็เป็นเครื่องสอนถึงความเป็น ความเป็นความเป็นธรรมดาลโลกอะว่าชีวิตเนี่ยมันมีทั้งสารเสริญนินทาต้องมองคนที่เขาตาหนิเราเหมือนกับครูที่เตือนใจเราให้รู้ว่ามันไม่มีแต่สารเสรลดเรามันมีนินทาด้วยคนเราเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมักจะมักจะมีคนสารเสริญแล้วก็คิดว่าในโลกเนี่ยตัวเองเนี่ยดีคนเดียวประเสริฐคนเดียวไม่มีทําอะไรผิดเลยแต่พอถูกตําหนิเขาเนี่ยมันทุกข์ แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการมาเปิดตาเปิดหูให้เราเห็นว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็คือว่ามันมีทั้งบวกและลบมีทั้งสรรเสริญนินทาทําให้เรากลับมาเป็นมนุษย์ันไษย์ใหมครั้งหนึ่งเราจมาชอบนะฮะที่อดีตเจ้าของเมืองโบราณนเนี่ยถึงตอนที้เสียไปแล้วแกบอกว่าวัาวาวนไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอับปางมงคลวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปางมงคลเพราะว่า มีแต่คนสารเสริญเดินยอ่อจนกระทั่งเหลิงจนกระทั่งลืมตัวไอ้คําสารเสริญนี่ก็ทําให้ลืมตัวได้ทําให้ไม่มีสติได้นะฮะแล้วคนส่วนใหญ่ก็เสร็จนะลืมตัวไม่ได้เพลืมตัวเพราะไม่ไม่ได้ลืมตัวเพราะถูกด่างเดียวบางทีลืมตัวลืมตัวเพราะถูกสารเสริญด้วยแต่คตําตำหนี้มันทําให้เกิดหูตาสว่างขึ้นกลับมาเป็นมนุษนย์บรรอีกครั้งทีแรกที่เป็นตัวเมเทวดานะไม่มีผิดเลย เราต้องรู้จักหาประโยชน์จากความหาประโยชน์จากคาตำหนิแต่เราถ้าเราถ้าเราไม่มีสติเนเราจะลืมหาประโยชน์ตรงนี้ไป <c oughs> อาตมาชอบเปรียบเทียบมกับลิงเนี่ยลิงเวลามันมันมันชอบแกล้งคนเนี่ยนะบางทีมันก็เอามะพร้าวเนี่ยคว้างขว้างหัวคนที่อยู่ข้างล่างถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยเราเจอเราเจอลิงคว้าง ขง้งเกาใช่ไหมเราไม่คิดจะเก็บไปกินเอาไปกินที่บ้านเหรอส่วนใหญ่เนี่ยพอลิงขว้างไม้เนี่ยเราก็ควา้างต่อแต่บางที่ไอ้ไอ้มะพร้าวที่ที่ลิงมันคว้างมาเนี่ยมันถ้าเรากลับไปบ้านนี่ก็ได้น้ํากินน้ํากินเนื้อมันได้นะทําไมเราต้องคว้างต่อครั <mình> เราไม่คิดเอาไปเก็บไปกินที่บ้านเลยนะไปฉอบกินที่บ้านเลยตก็ลิง<า>ขว้างเนี่ยก็ <ita S 1> ก็ได้เหมือนกันนะครทีนี้เนี่ยลองสังเกต น, นะถ้าเรามีสติสติลึกเข้าไปนะฮะนอกจากเราจะเราจะรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นเราจะเห็นต่อไปเลยว่าไอ้ที่โกรธเนี่ยมันไม่ใช่เราโกรธนะฮะไอ้ที่โกรธกิเลสมันโกรธกิเลสมันโกรธนะฮะกิเลสตัวนี้ชื่อว่ามานะมานะนี่เป็นเป็นกิเลสนะฮะ แปลว่าความถือตัวถือตนความความยึดติดในหน้าตาความอยากเด่นอยากดังเวลา ม, มีใครมาตําหนิเราเนี่ยเราู้สึกเสียหน้าและตัวที่ถูกกระทบกระเทือนเนี่ยคือตัวมานะคือตัวอัตตาคือตัวกิเลสมันโกรธมันทุกข์แต่เราเนี่ยดันไปเอาความทุกข์ของมันมาเป็นของเราเราฉลาดหรือเราโง่ กิเลสมันโกรธฮะที่ถูกตำหนิเพราะมันเสียหน้าแทนที่เราจะให้กิเลสจะเห็นปล่อยให้กิเลสมันโกรธไปกิเลสมันทุกไปเราไปเอาความทุกข์ของมันความโกรธของมันเป็นของเราเหมือนกับเราไปกอดไฟไว้แทนที่ปล่อยให้ไฟมันลุกขึ้นแล้วก็ดับไปเราไปกอดไฟไว้เราฉลาดหรือเราโง่ถ้ามีสติจะเห็นเลยฮะว่าไอ้นี่แหละกิเลสมันโกรธมานะมันโกรธ ถ้าเรามีสตินะเราก็าปล่อยมันโกรธไปสมควรล้วมันสมควรที่มันจะถูกทรมานเพราะว่าถ้ามันถ้ามันไม่ถูกทรมานเสียบ้างมันก็จะเหินเกริม่มาครอบงามาขี่มาขี่คอเราลองใช้สติเนี่ยเข้าไปส่องดูนะฮะไอความทุกข์ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ทุก ม, มันไม่ใช่ความทุกข์ของเราเลยนะฮะมันเป็นความทุกงกิเลส อยากได้อะไรนี่ไม่ได้หรือว่าใครดีกว่าเราเนี่ยใครดีกว่าเราใครเด่นกว่าเราเกิดความโกรธความไม่พอใจขึ้นมาใครดีใครเด่นเป็นอย่างนั้นนะฮะใครดีใครเด่นเนี่ยเราเราก็จะรู้สึกไม่พอใจอิจฉาอิจฉาเนี่ยคนที่ตัวที่อิจฉาคือตัวกิเลสอิจฉานะฮะ ตัวมานามนอิจฉาเพราะมันอยากจะเด่นกว่าใครแต่พอมีใครมาเด่นกว่าสวยกว่าหล่อกว่าเรียนเก่งกว่านะมันจะไม่พอใจอิจฉาแต่ถ้าเราไม่มีสติใช่ไหมเราก็จะไปยึดเอาไปไปเมาว่าไอ้ความทุกข์ของมันแหละคือความทุกข์ของเราก็เลยไม่มีพุทิตาจิต ผู้ที่ตาจิตเนี่ยคนไทยเนี่ยหายากนะฮะมีมีคนเขเคยเล่ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานไม่เคยไม่ทราบได้ยินหรือเปล่าฮะพิศนุโลกมั้งเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วบางท่านอาจจะเคยได้ยินมีมีร้านมีร้านทำเอ่อปล้านหน้าล้านหน้าลอยฟ้าล้านหน้าลอยฟ้าเนี่ยทาล้านหน้าเสร็จเขาก็จะจะโยนแล้วก็มีมีพนักงานเอาเอาจานเนี่ยไปรับอีกอีกที่หนึ่ง นะผักบุ้งใช่ไหมผักบุ้ง อ, อ่ใช่ที่ไหนนะพิซซูโร่ใช่หหรือนคาสวรรค์อ่พิซซูโล่ใช่ไห ม, หค ม, ไหมเคยได้ยินไเคยได้ยินเนี่ยที่ฝรั่งเห็นเนี่ยฝรั่งตบมือฝรั่งเห็นฝรั่งตบมือโอเเ้เก่งไงแต่ว่าคนไทยเงียบแต่พออีกพอเขารับพลานเนี่ยฝรั่งเงียบคนไทยตบมื อ, อ <laughs> ใช่ผักบุ้งไอยฟ้าขอโทษ เ ร, เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วอาจจะมาไม่ทราบเกิดเป็นยังเป็นอยู่หรือเปล่ค h, า Soul. คือเนี่ยคือคือเราเราคนเราเนี่ยเราไม่มีพุท ธ, ธิตาจิตเพราะว่าเราไปเราไม่มีสติฮะเราไปเหมาเอาความเราไปเราไปเราไปเราลืมตัวแล้วเราไปเอาความทุกข์ของกิเลสความทุกข์ของมาร น, นั้นเนี่ยมาเป็นความทุกข์ของเราเนีเพราะฉะนั้นจะนมาคิด ว, ว่าตรงนี้สําคัญ บางทีเราทุกเพราะเรื่องง่ายๆนะฮะเรื่องง่ายๆเสียงดังเวลาเสียงดังเนี่เราทุกเสียงดังหรืเพราะถ้าเสียงดังที่ไม่เป็นเสียงใดงธรรมชาติแต่เป็นเสียงดังที่เกิดจากคนอื่นนะอาตอมาชอบเรื่องของหลวงปู่วดาอันนี้ก็เล่ามาหลายครั้งไม่ทราบเคยคราที่แล้วเคยเล่าใาฟังหรือเปล่าหลวงปู่วดาเนี่ยท่านบรร า, าภาพไปแล้วนะฮะท่านอยู่สิงค์บุรีใช่ไหมฮะ เมื่อสักสี่สิบห้าิปีก่อนนะท่านจะรับนิมนต์ให้ไปไปชันในกรุงเทพฉันเพล น, นะันเพลเสร็จก็ก่อนจะกลับวัดท่านก็ญาติโยมเจ้าของบ้านขอให้ท่านท่านพักเพราะว่าท่านเหนื่อยอายุมากแล้วตอนนั้นคงประมาณสักเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิกว่าได้แล้วท่านรอนนะภาพาอยูุเมื่อร้อยหนึ่งปีระหว่างที่ ระหว่างที่พักเนี่ยก็จกัดจะหาห้องให้ท่านพักในห้องห้องหนึ่งท่านก็เอนเอนกายนะฮะแล้วก็มีมีญาติโยมสาวเสดเนี่ยมานั่งอยู่เป็นเพื่อนต่างคนต่างก็กระซิบกระซาบกันเวลาจะคุยกันเพราะไม่ต้องการที่จะรบกวนหลวงปู่บุดาแต่ห้องข้างๆเนี่ยก็เป็นห้องแถวเ็เป็นร้านร้านขายของชาเจ้าของร้านเนี่ยก็เป็นอาซิม แล้วก็สวมเกีย้ยคนสมัยก่อนสวมเกีย้ยนะคนจีนอัตมายังยังทันเลยแล้วก็เดินขึ้นเดินลงเสียงก็ดังใช่ไหมโยมที่อยู่ในห้องที่ดูแลประธานหลวงปูป่บดาอยู่ก็กระชึกกระซ้ากันว่าเดินเะสียงดังจังนะไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่ดาท่านหลับตาอยู่แต่ท่านได้ยินฮนะท่าไม่ได้หลับหรอ ทานก็พูดมาว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกีย้ยของเขาเอง <laughs> เอาหูไปลองเกีย้ยพ่ออะไรฮะพ่าไม่มีสติฮะหูมันก็เลยหาเรื่องไม่มีสติหูก็หาเรื่องนะฮะและ้วสังเกตเนี่ยคนเราทุก่าหูหาเรื่องอีเยอะบางทีตาก็หาเรื่องใช่มตาหาเรื่องหูหาเรื่องนะปากนี่ปากปาก ตาเี่มัน อ, อันนึงคือพอพอหูและตาหาเรื่องและปากหรือถึงทํางานปาที่เป็นฝ่ายปฏิกิริยาแต่ก่อนอื่นมันต้องเกิดจากการรับก่อนรับเข้ามาหูตาใช่ไหมแล้วก็จมูกนะแต่ส่วนใหญ่ในหูกับตาเนี่ยมันรับมันหาเรื่องก่อนนะไปเห็นเขากระสิบกะระซาบกันเนื่องว่าเขานินทาตัวเองใช่ไหมนี่เรืตาหาเรื่องเพราะว่ามันไม่มีสติฮะมีอคติอยู่แล้วแล้วไม่มีไม่มีสติในอคตินั้น นะมีอคติแล้วก็ไม่มีไม่มีสติในอคตินะั่นคือไม่รู้เท่าทันอคตินั้นมันก็ปรุงแต่งไปนะพอหาเรื่องเนี่ยพอหูหาเรื่องตาหาเรื่องใจเป็นทุกข์หงุดหงิดไม่พอใจเขาเนี่ยปากทําทงานแล้วเห็นไหม <S <S ในความสัมพันธ์กับคนเนี่ยมันธรรมดานี่ฮะเสียงกระทบกระทั่งกันเสียงบางทีก็เสียงดังบ้าง ใะดีเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีโทรศัพท์มือถือเข้ามาเกี่ยวข้องเคยเจอไหมฮะไปดูหนังหรือว่าดูหนังเนี่ยหรือว่ากาลังกาลังประชุมกันแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นในโรงหนังนะหนังนี่กำลังเศร้านะฮะกำลังเศร้าบรรยากาศกาลังนิ่งงนัน บอกว่าข้างๆเนี่ยเขาคุยโทรศัพท์กันคุยโทรศัพท์มือถือกันแกก็โกรธเนี่ยหงุดหงิดขึ้นมาเพราะมันคุยกันไม่เลิกในใจขึ้นมาเนี่ยทาไมมาคุยกันในนี้ใช่ไหมไม่เกรงใจเขาบ้างเลยเสียงคุยมันส่งเสียงดังรู้เปล่า น, นึกบนกลดายในใจยิ่งบนกลดายใจก็ยิ่งทุกข์ส่วนข้างหลังนี่ก็ยังก็ยังคุยไม่เลิก พอมันลุกขึ้นมามากๆเนี่ยโกโรธทำยังไงฮะลุกขึ้นมาด่าว่าไม่รู้จักเกงอกเกงใจคนบ้างส่งเสียงดังอย่างนี้ถามว่าใครส่งเสียงดังกันฮะระหว่างคนโทรศัพท์คุยมือถือกับกับคุณเทนันต์อ่ะคือตัวเองไปด่าว่าคนคนโทรศัพท์เนี่ยรบ ก, กวนคนอื่นแต่ตัวเองลืมตัวไปว่าไอ้ที่ลุกขึ้นมาด่าเนี่ยกลางกลางโรงหนังเนี่ยมันรบ ก, กวนคนทั้งโรงเลยแหละมันไม่ใช่แค่รบ ก, กวนแค่ของทสามคน ไปด่าเขาว่าลบกวนแต่ตัวเองเนี่ยลบกวนคนอื่นยิ่งกว่าอย่างนี้เพราะไม่มีสติฮะลืมตัวนะในความสัมพันธ์นีจะเป็นอย่างนี้นะแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปเล่น ง, งานคนอื่นตัวเองเดือดร้อนด้วยมีบ้านบ้านหนึ่งฮะแกบ้านเนี่ยแกอยู่ในอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่บดูริมถนนซึ่งเป็นทางสัญจรของโรงเรียน โรงเรียนวัยรุ่นอาชีวะสองโรงเรียนซึ่งเป็นคู่อริกัน mm hmm. ก็คงทืกอภาพเอาใชหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลังคาไอ้ไอ้กำแพงบ้านเนี่ยก็จะมีการพ่นฉีดสีสระหว่างคู่อริสองโรงเรียนกอปชอเป็นพ่อปศ ส, อ, ส อ, อะไรเงี้ยก็พ่นสีทับกันเนี่ยอยู่นั่นแหละเจ้าของบ้านก็ ก็แย่เจออย่างนี้เข้าไปเพราะบ้านตัวก็สวยก็พยายามทาสีทับแค่วันสองวันเนี่ยมันก็พ่นสีกันใหม่แกก็อุตส่าห์เขียนป้ายว่าออขอร้องว่าอย่าพ่นสีทับกันก็ไม่ได้ผลขอร้องไม่ได้ผลก็เลยขู่ติดป้ายขู่ว่าจะดําเนินการตามกฎหมายถต่ว่าป้ายก็ถูกฉีก นับวันตั้งวันแกก็ยิงโมโหโมโหขอล้องกันแล้วขู่กันแล้วไม่ทําสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยแกก็ออกมาจากบ้านถือถือถือกระป๋องสีขึ้นมาแล้วเขียนข้อความใหญ่ๆที่กําแพงว่าใครเขียนเป็นหมาใครเป็นหมาก่อนนะตรงนี้ตัวเองใช่ไหมนี่พ่อแล้วพ่อลืมตัวไม่มีสติไม่มีสติลืมตัวฮะ ไอ้ครล้วความ ม, มีสติลืมตัวเนี่ยมันก็เลยหลงเนก็เลยทําในเขียนข้อความในสิ่งซึ่งมันมันด่าตัวเองนนี้เลยเรียกว่าหลงนะลืมตัวก็เลยหลงเข้าไปในอารมณ์หรือว่าหลงทําในสิ่งซึ่งมันไม่สมควรแล้วจะเห็เเว่าไอ้ลืมกั่หลงเี่มันไปด้วยกันตลอดเวลาเพราะไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเพราะนั่นจะมาคิดว่านะในเรื่องของการเจือนสติ ในความสัมพันธ์กับผู้คนเวลาพูดคุยเวลาเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ต้องเจริญสติด้วยนะมันเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนอกจากการปฏิบัติธรรมเรื่องเมตตาภาวนาเมตตาคือเราต้องมีสติเราต้องมีเมตตาเขาด้วยนะอนนี้เนี่ยอีกอันนึงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะช่วยในการเจริญสติมากก็คือเวลาเกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์เครื่องใช้สอยการบริโภคในชีวิตเราเนี่ยเราต้องเกี่ยวข้องกับการเสพการใช้สอยอุปกรณ์ต่างๆเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่เราเกี่ยวข้องกับสิ่งของด้วยและสิ่งของส่วนใหญ่คือสิ่งของที่เราใช้เสพใช้บริโภคการบริโภคเนี่ยเป็นโอกาสในการเจริญสติฮะตั้งเริ่มแต่เวลากินข้าวสังเกตไหมเวลาเรากินข้าวนี่ใจเราไปไหน ใจลอยๆเวลากินข้าวเราคิดว่าต้องใช้เวลก า, คค า, ากินเวลากินข้าวเป็นประโยชน์คือว่าฟังเพลงไปด้คุยโทรศัพท์ไปด้วยหรือว่าคุยเรื่องงานเรื่องการกั น, กนจนกระทั่งไปนึกว่าการกินข้าวเนี่ยก็คือเป็นโอกาสแห่งการสนทนากันเป็นงานสังคมเป็นงานสังสรรค์ซึ่งก็มีประโยชน์นะฮะแต่ว่าเวลาเรากินข้าวคนเดียวเนี่ยลองสังเกตุเม่าเราเนี่ยใจเราว้าวุ่นหรือว่าใจเราปรุงแต่งอยู่มาก ลองฝึกกินข้าวแบบมีสติดูนะวัดวัดส่วนใหญ่นะไม่วัดส่วนใหญ่วัดหลายวัดเนี่ยจะสังเกตนะท่านจะฉันแบบเรียกว่าฉันแบบสงบคือไม่คุยกันนะแล้วบาที่คนไม่เข้าใจนะมีฝรั่งมามีฝรั่งคนงนึงมีแกไปวัดป่าไปเชื่อตามวัดป่ามาเนี่ยในภาคอีสานไปเชื่อเสร็แกก็กลับมามาบน่นมาบ่น กับชาวพุทธญาติโยมคนไทยว่าเนี่ยวัดนีนะ้แย่จังเลยพระนี่ไม่ถูกกันเวลากินเวลาฉันข้าวนี่ไม่คุยกันเลยนะเวลาฉันข้าวนี่ไม่คุยกันเลยคือก็ไม่เข้าใจว่พาพระท่านไม่ได้ไม่ได้ผิดใจกันหรอกเถ้าต้องการเจริญสติฮะเวลาฉันฉันสํารวมนี่คือเป็นโอกาสในการเจริญสติบางทีเราคารว่าก็ควรใช้โอกาสแบบนี้บ้างกินข้าวยังมีสติ รู้ว่ากินอะไรเวลาเคี้ยวเค้ยวอะไรอย่างที believer, <S <'s ่ท่านนัท่าธบอกเนี่ยท่านนัทธานเป็นพัฒนซนชาวเวียดนามท่านก็บอกเวลากินส้มเนี่ยก็ให้รู้ว่ากินส้มแต่เวลาเรากินอะไรก็ตามนี้เราเวลาเรากินเนี่ยเราไม่ได้กินบางทีเราไม่ได้กินอาหารนะเรากินความคิดเรากินความคิดเข้าไปเพราะขณที่เรากินเราคิดอะไรต่างๆมากมายเลยเราไม่ได้กินส้มได้กินข้าวเรากินความคิดนะแล้วเราก็ไม่รู้ตัวที่ว่าเรากินอะไรเข้าไป กานนี้เนี่ยนอกจากการจรูนสติให้รู้ตัวในขณะที่กินอาหารแล้วเนี่ยมันมีสติอย่างที่เราต้องรู้จักก็คือการรู้ถึงจุดมุ่งหมายของการกินจะสังเกตไหมฮะเวลาพระท่านฉันเนี่ยในบางสำนักเนี่ยแต่เดิมเป็นประเพณีทั่วไปนะฮะไม่ว่าพระเมืองพระป่า <c oughs> ก็จะมีการพิจารณาปฏจเวกเรียกว่าปฏิสังขยโยปฏิสังขยโยเนี่ย ท่านก็จะสวดก่อนฉันในข้อความในใ น, ในคำสวดอันนั้นเนี่ยก็คือเป็นการเตือนสติว่าเราฉันอาหารเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เพื่อความมอมันเกิดกําลังพลังทางกายไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพื่อดํำรงชีวิตให้อยู่ได้เพื่ออนุเคราะห์กับการพุทธปรมนะมัญ พลังาคือว่าเพื่อที่จะทําให้เนี่ยมันอยู่ได้เพื่อที่จะไปทําความดีต่างๆอันนี้ก็เป็นการเตือนสติของผู้บริโภคว่าเราฉันเราใช้เพื่ออะไรปฏิสังคายนนี่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เฉพาะเวลาฉันนะแต่ว่าเวลากินยาเวลาฉันยาเวลาใช้สอยจีวอแล้วก็เวลาใช้สอยเสนาสนะปัจจัยสี่พูดง่ า, งายๆแต่ําสมัยนี้เนี่ยแค่นี้คงไม่พอแล้วฮะ เพราะว่าเรามีปัจจัยมากกว่าปัจจัยสีเรามีโทรศัพท์มือถือเรามีรถเรามีรถยนต์เรามีเรา ม, รา ม, รามีคอมพิวเตอร์เรามีเครื่องเล่นซีดีดีวีดีต่า ง, างๆมากมายคนอยูปัจจุบันนี้เรามีสิ่งเสพสิ่งบริโภคสิ่งใช้สอยเยอะบางทีเราบ่อยครั้งเราลืมตัวไปนะฮะเราลืมตัวเพราว่าเราเราใช้เพื่ออะไร หรือเราไม่รู้ว่าเราเราไม่รู้ว่าเราใช้เพื่ออะไรเช่นอาหารเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้บริโภคเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้แต่เพื่อเป็นความโก้เก๋เพื่อความอวดนะเพื่อความปรุงแต่งสติในเพื่อศาสนาเนี่ยรวมถึงตรงนี้ด้วยฮะคือให้มีสติระลึกรู้ว่าจุดมุ่งหมายที่เหมาะสมกับการใช้สอยสิ่งต่างๆนี่คืออะไร สมัยนี้ก็ต้องรวมไปถึงการใช้รถยนต์การใช้โทรศัพท์มือถือเราทําเราใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกันหรือเพื่ออวดเพื่อแสดงสถานภาพของเราหรือว่าใช้จงกระทั่งติดนี้กับความสะดวกสบายความสะดวกสบายก็ทําให้ลืมตัวเหมือนกันซึ่งอาจจะมาเด้ออาจารย์มาจะได้พูดต่อไปตอนนี้เนี่ยในเรื่องการใช้สอยเนี่ยนะเด็กนี้เราต้องกันหนักนะรู้ว่าเราเราใช้เพื่ออะไรและเรื่องนี้จําเป็นมากสำหรับเด็ก เพราะเดกเดี่ยวนี้ไม่เข้าใจว่าโทรศัพท์มือถือเพื่ออะไรนะเสื้อผ้านี้เพื่ออะไรเขาใช้ไปเพื่อการแสดงสถานภาพเพื่อความโก้เก๋หมดเลยนะถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือนีอ่สุด้อยไม่มีคุณค่าโทรศัพท์กลายเป็นเครื่องวัดคุณค่าเป็นเครื่องอวดเป็นเครื่องยกสถานภาพซึ่งมันไม่ใช่จุดหมายที่แท้ของโทรศัพท์จุดหมายที่แท้ของโทรศัพท์ก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารกันเพื่อเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะตอนนี้เนี่ยนี่คือสติที่หายไป ในคนสมัยใหม่นะรถยนต์ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เพื่อเราก็ลืมไปว่ารถยนต์เนี่ยมันเราใช้ไม่ได้เพื่อการการเดินทางนะแต่เราใช้เพื่อการแสดงสถานภาพของเราส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการโฆษณาด้วยการโฆษณาทําให้เราลืมตัวฮะทำให้เราลืมเราลืมแม้กระทั่งว่านะไอคุณค่าของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมีม ผมดำสลวยละผิวนวลเนียนเดี๋ยวนี้เราไปเข้าใจว่าถ้าผมแพ้งผมแตกปลายรักแร้ดำก็คือไม่มีคุณค่านชชีวิตแล้วนี่มันหลงแล้วนะฮะมันหลงแล้วนี่เราหลงกันมากเลยในยุคบริโภคนิยม เ, เนี่ยต้องมีสติฮะมีสติกับการใช้มีสติกับการดูโฆษณานะว่า นี่เขากําลังหลอกเราหรือเปล่านี่เขากำลังทำให้เราหลงหรือเปล่าและสติอย่างนี้ที่ต้องตระห น, นักคือนะก็คือการตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่โลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโลกมันไม่ใช่มันเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยี่สิบปีข้างหน้าแต่ว่ามันกำลังเกิดขึ้นทุกขณะทุกวินาที แม่น้ําแข็งบนขั้วโลกกําลังละลายความร้อนกําลังคืขึืนขยับขึ้นไปสู่ทิศเหนือมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆน้ํากําลังแห้งฝนฟ้าไม่ตกตังก้งแต่ฤดูกาลน้ําทะเลกําลังขยับสูงขึ้นชายฝั่งในเมืองไทยถูกกัดกัดซอกไปจจกเป็นจำนวนมากเป็นแสนแสนไร้แลยนะครับถูกกัดซอกไปเพราะน้ำทะเลสูงขึ้นมาเรื่อยๆหรือกัดซอะแรงขึ้นเรื่อยๆ พวนี้เนี่ยเราก็รู้กันแต่เราลืมฮะเวลาเราใช้สอยสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็ไปติดกับความสะดวกสบายนะเราใช้พลาสติกเราใช้โฟมเราใช้เราใช้แอร์โดยที่เราไม่ได้ตระหนักเลยว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างเราใช้รถยนต์โดยที่เราลืมไปว่ารถยนต์เนี่ยมันก่อปัญหากับสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างอาตมาคิดว่าในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยการมีสติเนี่ยกับสิ่งเศพสิ่งบริโภคเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่บริโภคเท่านั้นฮะ แต่ต้องรู้เท่าทันว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมต่อผู้คนต่อโลกมันคืออะไรสติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องแผ่ออกไปให้กว้างขวางไม่ใช่รู้เฉพาะใจนะแต่ว่ารู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเราจากการบริโภคของเราเนีและเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไปติดเราเราไม่มีสติฮะเราไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเราไปติวความสะดวกสบาย เปิดไฟทั้งคืนเปิดแอร์ทั้งคืนเนี่ยนะมันสบายกว่าปิดแอร์เป็นเป็นช่วงๆนะหรือว่าใช้โฟมเนี่ยมันมันสะดกวกการใช้การใช้าการการใช้จานชามหรือว่าการใช้ปิดโต๊นะหรือว่าการเผา้ํามันนะแทนที่จะเดินไปนะตรงนี้เนี่ยนะมันคือสิ่งซึ่ง เราจะเป็นต้องเกิดความระลึกรู้ให้ได้ไม่ลืมนะคอนนี้ธรรมะเรา ม, มีเวลาธรรมาจะพยายามพูดให้สั้นนะแต่ว่าก็จ ะ, ะยังมีเวลาอีกสอประเด็นที่จะพูดก็คือว่าที่ธรรมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเจริญสติในชีวิตประจําวันตั้งแต่ในระดับที่ละเอียดก็คือว่าในขณะจิตที่เกิดขึ้นมีความผู้คิดปรุงแต่งความปวดรู้ทันความคิดคือมีความ ม, มีสติในขณะจิต แล้วก็ขเดียวกันก็พยายามขยายให้มีสตกิกับเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันในการบริโภคในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมันยังมีความหลงความมืนอีกหลายอย่างที่อยากจะให้เราได้ตระหนักนะฮะคือเราความทุกงคนเราเนี่ยมักส่วนก็คือเกิดจากการที่เราลืมที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีหมายความว่ายังไงะ จุดแต่ง่ายเวลาโยมเนี่ยทำเงินหายหนึ่งพบาทหรือว่ามีคนขโมยไปนะขโมยเงินไปสามพันบาทเอาโทรศัพท์มือถือไปเราทุกข์ฮะแต่ว่าหลายคนเนี่ยทุกนานนะทำไมถึงทุกนานฮะส่วนหนึ่งเพราะไม่รู้ทันความทุกข์ที่เกิดขึ้น ไม่รู้ทันความเสียดายความความโมโหความขุ่นเคืองใหญที่เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ our our ่งเพราะว่า <pinky> ล <ậy S 1> ืมมองไปว่าไอสิ่งที่ฉันยังยังมีอยู่มากมายเนี่ยสิ่งที่ฉันยังมีอยู่เนี่ยมันมีอยู่มากมายเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่หายไปแต่เราลืมมองหรือเลืมลืมให้คุณค่ากับสิ่งที่เรายังมีอยู่เงินหายเป็นพันแต่เรามีเงินในกระเป๋าเป็นร้อยเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเราจะเซ็ตเราจะกุ้มใจไปทำไมฮะ ไอพันหนึ่งที่หายไปกับอีกแสนหรือล้านที่มีอยู่เนี่ยอันไหนที่มันมีค่ามากกว่ากันแทนที่เราจะไปทุกข์กับไอไอไอไอหนึ่งพันที่หายไปเราควรจะพอใจกับอีกแสนอีกล้านที่เรายังมีอยู่ใช่หรือเปล่าแต่คนเราทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราลืมมองเห็นสิ่งที่เรามีเมื่อวานเนี่ยจะมาไปเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่งนะฮะ อาจจะมาทำโครงการช่วยเหลือผู้ใกล้าตายไปที่โรงพยาบาลนคปรปฐมเนี่ยส่งอาสาสมัครไปเยี่ยมผู้ป่วยก็มีรายนึ่งฮะเป็นคุณแม่อายุประมาณสัก50ได้คือลูกชายเนี่ยอายุอายุแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุแล้วก็แม่เนี่ยก็ดูแลเอาใจใช้ลูกที่พิการนั้นเนี่ยมาจนกันทั่งอายุ29พามา16ปี คุณแม่นี่ก็มีความรักลูกคนนี้มากแล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดกับลูกคนนี้ว่าทําให้เขาพิการแล้วพอลูกป่วยหนักเนี่ยคุณแม่แกก็ทุกข์มากนะแกก็บอกว่าถ้าลูกคนนี้ตายไปเนี่ยถ้าลูกคนนี้ตายไปสงสัยชั้นคงจะต้องฆ่าตัวตายแล้วคงอยู่ยนืนคงอยู่ในโลกนี้ไม่ได้คุณแม่อยากยากับขวายาับใหญ่ยับใหญ่ คิดค่าตัวตายถ้าเกิดลูกเกิดตายขึ้นมาแต่คุณแม่ลืมไปฮะว่าตัวเองยังมีลูกอีกตั้งสองคนบางทีความทุกข์มันทำให้เราเนี่ยไปอยู่กับอีกคนไปอยู่กับลูกคนนี้แต่เราลืมไปว่าเรามีเรายังมีลูกอีกตั้งสองคนที่เราควรให้ความรักให้ความใจใส่ สังเกตไหมบางครั้งความสูญเสียเนี่ยเวลาบางคนบางคนเนี่ยคนบางคนเนี่ยสูญเสียสูญเสียลูกสูญเสียสามีสูญเสียภรรยาไม่เป็นอันทำอะไรเลยนึกถึงคนที่ตัวเองสูญเสียไปแล้วก็ไม่ไม่ใส่ใจกับคนที่ยังอยู่อันนี้ก็เป็นความลืมตัวอย่างหนึ่งฮะคือลืม ลืมลืมนึกไปว่าฉันยังมีฉันยังมีแม่ฉันยังมีพ่อที่จะต้องดูแลใจใส่อย่างบางคนเนี่ยเสียใจมากเลยที่ว่าไม่ไ ม, ไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลแม่จนทั้งแม่ตายไปเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกแย่กับตัวเองนึกถึงแม่นึกนกถึงผู้ที่จากไปแต่ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรกับพ่อที่ยังอยู่เลยฉนทั้งที่เขาเนี่ยยังสามารถที่จ ะ, ะแก้ตัว ด้วยการมาดูแลพ่อให้ดีแต่ว่าลืมไปนะเอาแต่เสียใจว่าโอ้ฉันนี่ทำไม่ดีกับแม่ฉันไม่มีเวลาอยู่กับแม่นะแล้วแม่ก็ไปแล้วเฝ้านึกถึงแต่อดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยมีแม่อยู่มีลูกอยู่มีคนที่ต้องดูแลแล้วที่เราต้องใส่ใจอยู่กลับลืมไปเป็นอย่างนี้เยอะนะฮะไปอยู่กับอดีตจะลืมปัจจุบันไปอยู่กับสิ่งที่สูญไปใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สูญเสียไปและลืม เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวยังมีอยู่สตินี่มันยังช่วยทําให้เราเห็นนิสัยบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ตัวถ้าเกิดว่าเราเราไม่มองจนนิสัยบางคนเนี่ยชอบมองแง่ลบมองแง่ลบเห็นอะไรนี่มองแง่ลบลืมไปว่าว่าตัวเองเนี่ยมองแง่ลบแต่อย่างเดียวไม่ได้มองว่ามีแง่บวกด้วยแม่บางคนนี่ก็มาบ่นกับสมาชิกว่าลูกเนี่ยมีแต่ปัญหาสร้างปัญหาตลอดเวลาเลยคือลูกแกเป็นคนไฮเปอร์เนี่ย อายุห้าขอบขอกวบให้เปิดสร้างปัญหาตลอดเวลาอาตมาก็ถามว่าเคยถามบ้างไหมแบบเคยมองบ้างไหมบอกว่าลูกเนี่ยมีอะไรดีบ้างไม่เคยมองฮรเวลาลูกกลับมาบ้านเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยก็จะถามลูกว่าลูกวันนี้ลูกไปทำอะไรลูกลูกไปทําอะไรไปบ้างใช่ไหมเห็นลูกกลับมาเนี่ยใจเนี่ยสึกเครียดเพราะกลัวว่าลูกจะเอาเรื่อง จะเล่าเรื่องไม่ดีให้ตัวเองฟังว่าลูกไปทำอะไรบ้างูไปแกล้งครูไปแกล้งเพื่อนยังไงบ้างลืมมองไปว่าลูกตัวเองทำอะไรดีบ้างไม่เคยมองอตมาก็ถามว่าต่อไปเนี่ยนะแทนที่จะถามว่าลูกเนี่ยทำอะไรไม่ดีมาบ้างวันนี้ถามว่าควรถามหมายว่าลูกทำอะไรดีบ้างแล้วก็ถามตัวเองด้วยว่าตัวเองทำอะไรดีบ้างกับลูกไม่ใช่เอาแต่มารู้สึกคิดว่าตัวเองนี่เอาแต่ด่าเอาแต่ว่าลูก นี่ไม่มีสตินะฮะการที่เราเนี่ยเอาแต่มองแง่ลบเนี่ยมันคือความไม่มีสติอย่างหนึ่งนะมีสติเสียบ้างนะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบนะอราจมาชอบที่มีมีครูคนนึงเนี่ยแกแกเอ่อ ยกเขียนเขียนกากบาดอยู่ตรงมุมขวาเนี่ยแล้วก็ยกชูขึ้นมาให้เด็กดูว่าเด็กเห็นอะไรบ้างนะเด็กก็บอกว่าเห็นกากบาด ท, ที่มุมขวาครับครูก็ถามต่อว่าแล้วเธอไปเป็นสีขาวของกระดาษเลยเหรอเธอเป็นสีขาวของกระดาษเลยเหรอเราตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเด็กเหล่านี้หรือเปล่าครคือเห็นแต่ไอเห็นแต่ส่วนที่มันเป็นปัญหา แต่ส่วนที่ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยมองไม่เห็นเห็นแต่ส่วนที่มันไม่ดีแต่ส่วนที่ดีเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นทั้งๆที่มันปรากฏอยู่ตอนหน้าเนี่ครับไอ้สีขาว ข, ของกะระดาษก็ปรากฏอยู่ตอนหน้าแต่มองไม่เห็นอันนี้เรียกว่าหลงลืมเหมือนกันนะฮะหลงลืมเหมือนกันเราลืมไปว่าโลกนี้มันมีทั้งส่งสวนส่วนที่ดีอยู่เหมือนกันส่วนที่บวกอยู่เหมือนกัน บางคนก็บอกว่าชีวิตฉัน ม, มีแต่ความทุกข์ชีวิตฉัน ม, มีแต่โชคมีแต่ครอบกรรมนั่นแหละเป็นความหลงแบบนึงเป็นความรูมแบบนึงเพราะว่าไอ้ความสุขก็มีแต่มองไม่เห็นหรือว่าไม่คิดจะมองเพราะว่าใจเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นทุกข์ทัดมองตรงนี้บ้างฮะอันนี้อาตมาถือว่าเป็นการเจริญสติอย่างนึงใ น, นชีวิตประจําวันคิดว่าอขอพักตรงนี้ไปก่อนนะเพราะว่าพูดไปนานแล้วเผื่อว่า ญาติโยมอาจจะมีข้อสงสัยได้ขอเชิญได้เลยฮะอ่าอาตมาประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะอาตมาได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อฉลาดทําใจฮะเคยเขียนหนังสือเรื่องเคยทําเรื่องฉลาดทําบุญมาแล้วคนไทยเราชอบทําบุญบ่อยแต่เรื่องทําใจนี่ไม่ค่อยทําเท่าไหร่หรือทำไม่ค่อยเป็นก็เขียนมาสั้นๆ น, นะ ว่าจะทำใจยังไรเวลา อ, อกหักสอบหรือว่าเวลาเวลาแก่เวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาเพื่อนเพื่อนต่อว่าเพื่อนตำหนิหรือว่าเจ้านายไม่เห็นความไม่เห็นคุณค่าของเราประมาณ2ี่กรณีนะอันนี้เนี่ยพิมพแจกนะฮ ะ, ะทางเครือข่ายพฤติการเป็นผู้จัดพิมพ์ร่วมกับสำนักงาน กองทุนสนสมการสร้างเสริมสุขภาพสสสใครที่อยากได้เนี่ยก็ติดต่อไปทางไปทางเรือขายพฤติกาก็ได้สส ส, สก็เอาพฤติกาดีกว่าฮะแล้วก็ส่งไปชนีไปสามดวงดว ง, ดวงละสาบาทนะก็หรือว่าใครที่สนใจที่จะพินแจกเป็นของํำรวยในงานแต่งงานงานวันเกิดงานสมก็ก็ได้อนกันอันนี้ประกาศไว้เพราะว่าเขาจะจะเริ่ม จะเริ่มแจกประมาณก่อนขอ้าพันษาก็คือวัอนที่25อันนี้ก็ขอขอข อ, ขอประชาสัมพันธ์ฮะแล้วก็แจ้งข่าวด้วยต่อมาก็ออกมาแจกเหมือนกันะแต่ว่าคงไม่พอเอามาเอามาไม่กี่เล่มเองก็คิดว่าจะแจกไปตามโรงเรียนละหนึ่งเล่มหรับการใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับ ของการปฏิบัติธรรมทุกวันขณะนั้นได้จบลงไปด้วยท่านอาจารย์ไก่สามวิสาโลในช่วงนี้นะครับเรคิดว่าผมจะได้เป็นประโยชน์กับท่านอย่าง